ปฏิญญาตกรณะที่ชอบธรรมภิกษุทั้งหลายปฏิญญาตกรณะที่ชอบธรรมเป็นอย่างไรคือภิกษุต้องอาบัติปาราชิกสง์หรือภิกษุมากรูปหรือภิกษุรูปเดียวโจทย์พิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัติปาราชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าถูกละท่านผมต้องอาบัติปาราชิก สงปรับอาบัติปาราชิกภิกษุนั้นการปรับอย่างนี้ชื่อว่าปติญญาตกรณะที่ชอบธรรมภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเศษละอาบัติทุนลจใจและอาบัติปาจิตตีและอาบัติปาติเทสนิยะละอาบัติทุกกฎละ ภิกษุต้องอาบัตทุพภาสิทธิสงหรือภิกษุมากรูปหรือภิกษุรูปเดียวโจทย์ภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัตทุพภาสิทธิภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าถูกละท่านผมต้องอาบัตทุพภาสิทธิสงปรับอาบัตทุพภาสิทธิภิกษุนั้นการปรับอาบัตอย่างนี้ชื่อว่าปฏิญญาตกรณะที่ชอบธรรม ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลปติญญาตกระณะที่ชอบธรรมปติญญาตกระณะจบ